ตำนานปอบหมาล้านหนาพี่มาบองสัมผัสสยองผมชื่อชมครับเป็นคนบ้านป่าเมื่อสมัยสาสิบปีที่ผ่านมาผมอายุประมาณยี่สิบปีถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว ในสมัยนั้นการเรียนก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนักเรียนจบแค่ชั้นป .4 ก็พออ่านออกเขียนได้ส่วนผู้ใหญ่คนในหมู่บ้านก็จบการศึกษาภาคบังคับคือปอ .4 แล้วก็ไม่มีใครเรียนต่ออาจเป็นเพราะว่าฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนและโรงเรียนที่จะเรียนต่อชั้นสูงๆก็อยู่ห่างไกลหมู่บ้านต้องเดินทางกันไปเป็นหลายสิบกิโลเมตร ชาวบ้านที่นี่ล้วนแต่ทํานาทําไรจึงต้องการแรงงานลูกหลานไว้ช่วยงานในไรนาเมื่อผมจบชั้นป .4 ก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ทํานาเพื่อนที่จบชั้นป .4 พร้อมกันบางคนอายุ1 6 1หสิเจปีก็แต่งงานมีลูกมีเต้ากันแล้วผมเองรูปร่างหน้าตาจัดเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งล่อตามประสาหนุ่มบ้านนอกและก็มีแฟนแล้ว ซึ่งอยู่กันคนละหมู่บ้านกำลังจีบจีบกันอยู่ดูใจกันมากเกือบปีทุกคืนหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จก็จะทานข้าวเย็นหลังจากนั้นประมาณหนึ่งทุม่มก็จะไปบ้านของแฟนเรียกว่าไปแอลสาวสาวๆสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไม่ได้ดูหนังดูละครเพราะในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างดีก็ได้แค่ฟังวิทยุครานซิเตอร์ ซึ่งใช้ทานไฟฉายฟังนิยายหรือรายการเพลงลูกทุ่งหมอลำก็แค่นั้นสาวๆก็จะเอางานมาทำเช่นสานตะกรา้าทอผ้าทักยอกเครื่องมือจับปลาหรือตำข้าวและอีกหลายๆอย่างเพื่อรอหนุ่มๆมาจีบจีบกันไปจีบกันมาแล้วฝ่ายชายก็มาช่วยหญิงสาวทำงานไปด้วย เป็นความสุขตามประสาหนุ่มบ้านนาสาวบ้านไร่ชื่นเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมอายุแกกว่าผมหนึ่งปีแต่ผมก็เรียกชื่อแกเฉยๆว่าชื่นเพราะเราสนิทกันมากเป็นเพื่อนรักและเพื่อนตายกันเลยก็ว่าได้ชื่นมีนิสัยชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนโดยเฉพาะสาวๆเขามีแฟนที่จีบๆกันอยู่หลายคน แต่ชื่นมีทีท่าว่าจะชอบพี่สาวของแฟนผมมากดังนั้นทุกคืนเวลาเราไปเอาสาวก็จะชวนกันไปพราะระยะทางจากบ้านผมไปหามู่บ้านของแฟนผมน้องเตยมีระยะห่างกันประมาณสองกิโลเมตรเดินไปตอนกลางคืนก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดินไปคุยไปหยอกล้อกันไปก็สนุกดีเพราะถึงบ้านของน้องเตย ผมก็ไปช่วยน้องเตยทำงานส่วนชื่นก็ไปคุยกับพี่สาวของน้องเตยที่ชื่อหอมเวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนเราทั้งสองคนก็พากันกลับบ้านส่วนพ่อและแม่ของน้องเตยก็เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้คุยกันจึงพากันไปเข้านอนก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคืนยกเว้นว่าวันไหนฝนตกหรือมีงานยงุงเราก็จะไม่ได้ไป วันนี้อีกเช่นเคยผมกับชื่นหลังจากทานข้าวเย็นกันเสร็จก็นัดแนกกันไปแอวสาววันนี้ชื่นแต่งตัวสกโกมีผ้าขาวมา้าลายสกอตแดงขาวคาดอยู่ที่พุงส่วนผมก็ไม่น้อยหนะ้ามีผ้าขาวม้าเหมือนกันแต่ของผมเป็นสีน้ำเงินขาวใช้พาดบ่าแล้วไว้คอยไล่ยุงไปด้วยเราออกจากบ้านประมาณหนึ่งทุม่ม เดินไปตามทางเพื่อที่จะไปบ้านของน้องเตยคืนนี้แทบไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยเพราะแสงของพระจันทร์สว่างจนมองเห็นทางเราเดินไปได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะมีทางแยกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งทางซ้ายแต่บ้านที่เราจะไปแยกไปทางขวามือตรงนี้เรียกว่าทางสามแยกหรือทางสามแพร่งนั่นเอง ชื่นก็พูดกับผมว่าเฮ้ยชมเอ็งรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะข้าอยากฉี่วะ่ะวันนี้ผมรู้สึกแตกในเมื่อชื่นอยากฉี่ทำไมไม่ฉี่ตามริมทางเหมือนทุกครั้งชื่นเดินแยกไปทางด้านซ้ายมือเพียงสักครู่ก็เดินออกมาผมคิดว่าชื่นคงจะไปฉี่จริงๆเพราะแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วจากนั้นเราทั้งสอง จึงเดินมุ่งหน้าไปบ้านของน้องเตยวันนี้น้องเตยกับพี่สาวได้เอางาดำที่ปลูกไว้มาคยีและทำการนวดหลังฝัดเอเปลือกและใบแห้งๆออกเหลือแต่มเมล็ดงาสีดำแล้วก็เก็บใส่ขวดเอาไว้น้องเตยบอกว่าเอาไว้คลุกกับขนมข้าวต้มมัดเพราะทานงาดำดีมีประโยชน์พอคุยกันไปจนได้ยินเสียงนกกลางคืนร้อง ผมก็เลยชวนชื่นกลับบ้านวันรุ่งขึ้นเราก็ไปทำนากันตามปกติจนถึงเวลาพลบคำ่ำก็ได้เวลาแอวสาวผมกับชื่นคู่หูคนเดิมก็ชวนกันไปบ้านของน้องเตยเราพากันเดินมาได้สักระยะหนึ่งเพราะถึงทางสามแยกชื่นก็มีอาการปวดฉี่อีกล้วชื่นก็พูดกับผมเฮ้ย hey, ชม อิงรอค่าสักแปบนะปวดฉี่วะ่ะเช่นเคยชื่นเดินไปทางแยกด้านซ้ายมือหายไปหลังพุ่มไม้ผมก็มองตามแต่เงาดำของต้นไม้บังไม่ให้เห็นชัดผมเลยเก็บความสงสัยว่าทำไมพอมาถึงตรงทางสามแยกชื่นจะต้องมีอาการปวดท้องฉี่ทุกครั้งผมรอจนชื่นเดินออกมาแล้วเราก็พากันเดินต่อไป ระหว่างทางชื่นคงสังเกตเห็นอาการอยากรู้ของผมก็เลยพูดว่าวันนี้เองเป็นอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยผมก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ในใจจริงๆของผมแล้วผมนึกสงสัยว่าชื่นไปทำอะไรที่หลังพุ่มไม้พรุ่งนี้ผมต้องตามไปพิสูจน์ให้รู้ให้ได้พอถึงบ้านของน้องเตยพ่อกับแม่ของน้องเตยก็เข้านอนแล้ว เหลือเพียงแต่น้องเตยกับพี่สาวชื่นแยกกับผมไปช่วยหอมตำข้าวส่วนผมก็ช่วยน้องเตยฟัดข้าวเพื่อเอาข้าวเปลือกออกแม้กลางคืนจะมืดมาแต่บ้านของน้องเตยก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุโดยใช้น้ามันกาดและสูบลมอัดเข้าไปให้สว่างเหมือนอยังตอนกลางวันพวกเราทำงานกันไปคุยกันไป จนถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนก็ลากลับเช้าวันต่อมาหลังจากผมไปดูนาข้าวแล้วผมยืมจักรยานของน้าชายเพื่อปั่นไปที่ทางสามแพรงให้หายคองใจว่าชื่นไปทำอะไรตรงนั้นทุกคืนพอถึงทางสามแพรงจึงเดินเข้าไปที่หลังพุ่มไม้ก็พบหัวกระโหลกสัตว์ซึ่งน่าจะเป็นหัวกระโหลกของลูกบววที่ถูกขโมยมาแล้วฆ่าเพื่อเอาเนื้อ ส่วนหัวกะโหลกถูกทิ้งเอาไว้กะโหลกลูกวัวดูเหมือนจะถูกเลียจนเรียกเยกลียงเก่าชมสงสัยว่าหรือว่าทุกคืนชื่อแหนบมาเลีย ก, กินหัวกะโหลกตรงนี้ด้วยความคึกขนองและนึกสนุกผมอยากแกล้งชื่นหลังจากที่ผมกลับไปแล้วตกเย็นผมจึงได้กลับไปที่ทางสามแยกอีกครั้งพร้อมกับพริกขีห้หนูประมาณสองกับมือ ตําพอแหลกแล้วเอาไปรูปที่หัวกระโหลกของลูกบัวเพราะถึงเวลาแอลสาวผมกับชื่นก็ไปด้วยกันเหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อเดินมาถึงทางสามแพรง่งชื่นก็มีอาการปวดฉี่อีกแล้วชื่นก็บอกผมว่าเฮ้ย <c oughs> เอ็งรอตรงนี้นะเดี๋ยวข้ามาปวดฉี่วะ่ะวันนี้ผมตอบไปว่าเออเออรีบๆก็แล้วกัน ผมแอบยิ้มและคิดว่าเรื่องอะไรผมจะรอเพราะเดี๋ยวชื่นมันคงจะดูว่าผมแรลงแล้วก็ออกมาไล่เตะผมเป็นแน่ผมเลยวิ่งหนีไปบ้านของน้องเตยก่อนเมื่อไปถึงที่บ้านของน้องเตยก็เห็นว่าพ่อของน้องเตยยังไม่เข้านอนเพราะเห็นผมกระหืดกระหอบวิ่งมาก็ถามผมว่าวิ่งหนีอะไรมาแล้วเพื่อนอีกคนไปไหน ผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อของน้องเตยฟังแต่ยังไม่ทันพูดจบ ก, ก็ได้ยินเสียงฟีเท้าของมาวิ่งควบมาแตกไกลพ่อของน้องเตยรีบยกบันไดกลับหัวโดยเอาด้านล่างขึ้นบนด้านบนลงล่างแล้วก็บอกว่าเจอผีม้าบ้องแน่ๆตามคำโบราณกล่าวว่า ผู้ใดรู้จักหรือรู้เห็นว่าใครเป็นผีมาบองเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นผีมาบองก็จะตายดังนั้นเพื่อไม่ให้ใครรู้จักมันก็ต้องฆ่าคนที่รู้ตัวตนของมันพ่อของน้องเตยพูดว่าห้ามลงจากบันไดบ้านจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พ่อน้องเตยบอกชื่นเป็นผีมาบองหัวเป็นคนตัวเป็นมา วิ่งรอบบ้านของน้องเตยแต่มันไม่สามารถขึ้นมาได้ได้แต่ร้องว่าบ้านชับันไดไม่ใช่บานชับั น, บนไดไม่ใช่วิ่งวนเวียนอย่างนี้ตลอดทั้งคืนทุกคนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวตอนนั้นผมนึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปทำงานตอนเช้าประมาณตีห้านัดกับพ่อของผมมาไว้แล้วดังนั้นผมจะต้องกลับก่อนตีห้า แต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นผีม้าบองจะต้องฆ่าผมแน่ๆผมบอกพ่อของน้องเตยว่าจะกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นโชคดีที่พ่อของน้องเตยมีคาถาาคมแกจึงบอกให้หอมไปหยิบไข่ไก่ที่นอกชานมาเจ็ดใบจากนั้นก็ทำพิธีเสคคาถาใส่ไข่ไก่และบอกผมว่าให้วิ่งไปอย่าเลียวหลังไปมองดู ถ้าได้ยินเสียงฟีเท้ามา้าวิ่งเข้ามาไกลให้คว้างไขรไก่ฟองที่หนึ่งย้อนไปข้างหลังผีม้าบ้องชอบของข่าวมันจะกลับไปเลียกินก็ถือโอกาสนั้นรีบวิ่งให้สุดชีวิตอย่าให้มันมาทันเพราะถ้าหากว่ามันคร่อมตัวเราได้ก็จะต้องตายอย่างแน่นอนทำกับไขรไก่ฟองอื่นๆอย่างนี้ไปจนถึงบานพอวิ่งขึ้นไปบนบานก็ยกบันไดกลับหัวลง มันจะไม่สามารถตามขึ้นมาได้ผมได้ไข่ไก่มาเจ็ดฟองถือไว้ในมือแล้วรีบกระโดดลงบ้านของน้องเตยวิ่งกลับบ้านตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงผีเท้าของม้าวิ่งไล่ตามมาพอเสียงใกล้เข้ามามากแล้วผมก็คว้างไข่ไก่ย้อนกลับไปหนึ่งฟองก็รู้สึกได้ว่าเสียงม้าที่วิ่งตามมาเริ่มเบาลงและเงียบไป ผมวิ่งต่อไปอย่างรวดเร็วสักพักก็ได้ยินเสียงม้าวิ่งตามมาอย่างกระชั้นชิดผมจึงคว้างไข่ไก่ใบที่สองย้อนหลังไปอีเสียงม้าที่วิ่งตามก็หายไปผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อวิ่งไปคว้างไปจนไข่ไก่เหลือสองฟองแต่ระยะทางเหลืออีกประมาณครึ่งกิโลเมตรผมคิดในใจว่าถ้าหาไข่ไก่เกิดหมดก่อนที่จะถึงบ้าน ผมจะทำยังไงผมคงต้องตายแน่แแม้ผมจะเหนื่อยมากแต่ผมก็พยายามวิ่งต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตจนได้ยินเสียงฝีเท้าของม้าใกล้เข้ามาอีกผมจึงคว้างไข่ใบที่หกไปแล้วเร่งความเร็วให้มากกว่าเดิมเท่าที่จะทำได้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าพละกำลังมาจากไหนคนตื่นเต้นหนีตายมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ผมไม่เคยวิ่งได้เร็วและไม่รู้จักเหนื่อยแบบนี้มาก่อนจนในที่สุดไข่ทั้งเจ็ดใบก็หมดไปผมถึงบ้านพอดีผมวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วรีบยกบันไดกลับหัวกลับหางตอนนี้ผมยืนหอบอยู่บนบ้านรู้สึกปลอดภัยแล้วผีมาป้องวิ่ง ร, บรอบรบ้านของผมแล้วก็บนพืมพรรมว่าบ้านใช่บันไดไม่ใช่บ้านใช่ บันไดไม่ใช่บ้านใช่บันไดไม่ใช่ผมนั่งมองอยู่อย่างนั้นแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียจนรุ่งสางผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงป้าแมนซึ่งอยู่บ้านใกล้กันกับผมป้าแมนเป็นแม่ของชื่นเธอร้องโวยวายลั่นบ้านว่าตายแล้วตายแล้วให้ชื่นเป็นผีมาบ้าง นอนตายอยู่ในมุงใช่ด้วยใช่ด้วยผมกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็วิ่งกรูกันไปบ้านของป้าแมนเมื่อไปถึงก็เห็นสภาพของชื่นนอนตายบนที่นอนหัวเป็นคนมุดอยู่ในมุงส่วนตัวที่เป็นหมาโผลออกมานอกมุงไอชื่นตายแล้วไอชื่นเป็นผีมมาบองเสียงนั้นดังกล้องหูของผม จากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปสาสิบปีแล้วเสียงนี้ก็ยังดังก้องอยู่ไอชื่นตายแล้วไอชื่นเป็นผีมาบองผมยังรู้สึกหดหู่และคิดโทษตัวเองว่าเป็นเพราะผมที่ทำให้เพื่อนรักตายโทไม่น่าเลยไอชื่น หัดสยอง